หมดที่สิบสามสารพันปัญหาจากบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นท่านพักครูก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พักผ่อนญาติโยมหลังไหลกันมาทุกสารทิศคนหนึ่งกลับอีกคนก็มาและดูเหมือนว่า คนที่มาจะมีมากกว่าคนที่กรับกุฏิของท่านจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนในขุนทองอดรนทนไม่ไหวจึงเข้ามาสั่งการหลวงลุงพักผ่อนเถอะฮอย่าลืมนะว่าหลวงลุงยังเป็นคนไข้ยอยู่นะท่านพระครูรีบบอกว่าข่าหายแล้วหมอประดิษฐ์ท่านเก่งมากพอเปลี่ยนเฟือกปุ๊บข่าก็หายปับ๊บตอนไปเขาหามข่าไป แต่พอตอนกลับข้าเดินมาขึ้นรถเองไม่ต้องให้รถพยาบาลมาส่งด้วยท่านตั้งใจคุยอวดหลานชายถ้าหายจริงก็คงไม่ต้องใส่เฝือกรอกห้าลุงลุงเชื่อหนูเหอะไปสงน้ำไปพักผ่อนซะลุงลุงไม่ได้ส่งน้ำมาสิบวันแล้วนะสงสารจมูกญาติโยมมั่งหลานชายตั้งใจเปิดเผยความลับ ด้คิดว่าหลงๆจะต้องอับอายดีที่ว่าผู้ใหญ่หอมกับเมียลากลับไปแล้วมิฉะนั้นในขุนทองจะต้องถูกเมียผู้ใหญ่หอมเล่นงานอย่างแน่นอนแล้วคนกลัวเมียอย่างผู้ใหญ่หอมนะหรือจะเข้าข้างเขาญาติโยมเหม็นสาบอาตมาหรือเปล่าถ้าเหม็นอาตมาก็จะขอไปสงน้ำก่อนท่านถามญาติโยมที่นั่งแออัดอยู่ในกุฏิ ไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นครับญาติโยมหญิงชายตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะต่างกลัวว่าตนจะไม่ได้พูดธุระกับท่านได้ยินหรือยังท่านถามหลานชายหมายใจจะยัว่วได้ยินชัดเจนเลยะเพียงแต่หนูไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินบางคนไม่ยอมพูดความจริงเพราะต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง คุณทองเริ่มก่อศัตรูญาติโยมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่ได้พูดว่าอะไรออกมาด้วยรู้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นหลานท่านพลักครูสตรีผู้หนึ่งไม่ยอมให้เสียเวลาหล่อนรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูอยากอ้วนคะ่ะเพื่อนๆบอกว่าหนูอ้วนกว่านี้หนูจะดูมีน้ามีนวลบางทีอาจจะมีหนุ่มๆ ม, มาติดพันบ้างประโยคหลัง หล่อนพูดในใจหากท่านพระครูก็ได้ยินแล้วก็บอกหล่อนว่าไม่เป็นไรหรอกหนูเดี๋ยวหลวงพ่อจะเสกยาให้ทานรับรองว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูมีน้ำมีนวลและก็จะมีหนุ่มๆ ม, มาติดพันด้วยยิ้งสาวแสนจะดีใจรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อเสกเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะหนูอยากอ้วนคะ่ะ แท้จริงหล่อนไม่อยากอ้วนสักเท่าไรแต่อยากให้หนุ่มๆมาติดพันมากกว่าอายุตั้งสี่สิหกแล้วยังไม่มีคู่รักกับเขาเลยท่านพักครูใช้มือข้างที่ดีอยู่ควานไปข้างหลังหยิบยามาขวดหนึ่งแล้วทำท่าเสกจากนั้นจึงให้หล่อนยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วทิ้งขวดยาลงบนมือของหล่อน หญิงสาวกราบปลกปลกสามครั้งแล้วก็รีบลากราบับตั้งใจว่าจะต้องกินยาภายในวันนี้ทีเดียวหลวงพ่อคะเสกให้หนูสะขวดได้ไหมคะหญิงสาวอีกผู้หนึ่งพูดด้วยท่าทางกระมิดกระเมียนหนูก็อ้วนดีอยู่แล้วนี่นาจะกินยาไปทำไมเล่าสมภานวัดป่ามาม่วงทวงเห็นว่าหล่อนไม่ได้ผอมแห้งเหมือนคนที่ลากลับไป แต่หนูอยากอ้วนอีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นหล่อนคิดว่ายาที่ท่านพระครูเสกให้หญิงสาวคนนั้นคงเป็นยาสเสน่ห์ยาแฝดกินเข้าไปแล้วก็คงจะทำให้สามีกลับบ้านก็สามีหล่อนหอบเสื้อผ้าตามคนใช้ไปสองเดือนแล้วหล่อนรู้ระแคะระคายว่าก็ามีอะไรอะไรกับคนใช้จึงให้คนใช้ออก สามีหล่อนจึงออกตามคนใช้ไปด้วยอย่าให้อ้วนเลยเดี๋ยวสามีเขาจะหาเรื่องว่าคือเขาจะหาว่าเราเป็นตุ่มเดินได้เข้ากรรมฐานดีกว่าแล้วสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่ก็จะสำเร็จออกจากกรรมฐานแล้วสามีเขาจะกลับมาเองถ้อยคำของท่านช่างถูกใจหล่อนนะักทำไมหลวงพ่อรู้ หนูเชื่อแล้วว่าหลวงพ่อเป็นพระอาหารหันต์หล่อนพูดอย่างยินดีอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอาหารหันต์เลยนะเรื่องอย่างเนี้ยเขาไม่พูดกันเอาเป็นว่าอาตมาเป็นพระอาะเหิก็แล้วกันใครมีทุกข์ใครเดือดร้อนอาตมาก็เหไปช่วยเอาเอถอะท่านหนูเข้ากรรมาฐานรับรองสามีกลับมาแน่นอนท่านพูดให้กำลังใจ ได้รู้ว่าหล่อนกําลังทุกทนห ม, หม่นไม่เรื่องที่สามีหนีตามสาวใช้ไปถ้าหนูไม่เข้าสามีก็จะไม่กลับใช่ไหมคะกลับสิเพราะตอนนี้เงินจวนหมดแล้วถูกคนใช้ปลอกลอกเอาเงินไปให้สามีของเข้าสร้างบ้านเขามีสามีแล้ว แล้วก่อนมกว่าหลอกกว่าสามีหนูเขาไม่ได้รักสามีหนูหอกเขาต่องการเงินไปให้สามีเขาสร้างบ้านที่จังหวัดอุบล น, นุนบ้านหลังใหญ่เสียด้วยเงินที่สร้างก็ได้มาจากสามีหนูนั่นแหละมันเป็นกรรมติดพันกันมาจัดที่แล้วสามีหนูหลอกเขาไว้จัดนี้เขาเลยมาทวงคืนที่อาตมาแนะนำให้หนูมาเข้ากรรมฐาน ก็เพื่อ น, นุจะได้ไม่ผูกเวรกับเขาอย่าไปมีเวรมีกรรมกันอีกตกลงตามนี้นะท่านแนะนำด้วยเมตตาก็ได้ค่ะแต่หนูจะต้องกลับไปบอกลูกๆ ก, ก่อนแล้วก็จะต้องไปรับแม่มาเฝ้าบ้านให้หนูลาก่อนนะคะพรุ่ง น, นี้หนูจะมาเข้ากรรมฐานค่ะหล่อนกราบสามครั้งแล้วลูกออกไป รู้สึกเบากายเบาใจเมื่อท่านช่วยแก้ปัญหาให้ช่วยขอทางให้คุณหญิงเข้าไปหน่อยเถอะครับเสียงตํารวจบอกญาติโยมที่นั่งอยู่หน้าอาสนะท่านพระครูจึงบอกพวกเขาว่าญาติโยมช่วยเปิดทางให้คุณหญิงเข้ามาด้วยเถอะเมื่อญาติโยมภากรลีกทางให้ใชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสองคนก็ช่วยกันประคองสุภาพสตรี อายุประมาณห้าสิบเข้ามานั่งส่วนในตำรวจที่มาด้วยแล้วก็ทําหน้าที่ขับรถยืนรออยู่ข้างนอกบุคคลทั้งสามกราบเบญจางขบะดิ์แล้วชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าอีกคนก็กราบเรียนว่าพระคุณท่านขอรับกระผมและพี่ชายพาคุณแม่มากราบขอพรพระคุณท่านคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งขอรับ หมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนแต่กระผมอยากให้คุณแม่อยู่ต่อไปอย่างน้อยสักสิบปีขอรับพระคุณท่านจะให้พรคุณแม่ได้หรือเปล่าขอรับตอนนี้คุณแม่อายุหกสิบเท่านั้นหกสิบหรืออาตมานึกว่าห้าสิบคุณหญิงดูอ่อนก็วัยมากนะคุณหญิงฟังท่านพูดแล้วก็รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บหายไปกว่าครึ่งจึงกราบเรียนท่านว่า เมื่อก่อนอาจจะจริงเจ้าคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนดูแก่ลงไปมากแต่พระคุณท่านก็ยังดูหนุ่มนะเจ้าคะ่ะขอประทานโทษพระคุณท่านอายุเจ็ดสิบหรื อ, อยังเจ้าคะ่ะคุณหญิงพูดอย่างหมายจะเอาใจพระภิกษุผู้ซึ่งเธอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาประสาททะโยมคุณหญิง อาตมายังไม่ถึงหกสิบเลยเพิ่งจะห้าสิบต้นๆท่านพระครูรีบบอกหากเป็นเมื่อก่อนท่านคงใจ่อแฟไปเหมือนกันทว่าบัดนี้ท่านไม่ยินดียินร้ายในคำสรรเสริญหรือนินทาอันเป็นโลกธรรมนั้นแล้วขอประทานโทษเจ้าคะ่ะดิฉันไม่ควรพูดเช่นนั้นเลยกรุณายกโทษให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะ่ะ เธอขอขมาลาโทษไม่เป็นไรหรอกคุณหญิงอาตมาชินซะแล้วใครๆก็ก็พูดเหมือนกันที่คุณหญิงพูดนั่นแหละเป็นกรรมของอาตมาเองที่เกิดมาหน้าแก่กว่าวัยท่านพูดยิ้มยิ้มยิ้มของท่านทําให้คุณหญิงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเพราะสบายใจได้ว่าท่านไม่ได้ถือสาคําพูดของเธอ พระคุณท่านขอรับกระผมยังไม่ได้รับพรจากพระคุณท่านเลยขอรับกระผมขอพอรให้คุณแม่อยู่ต่อไปอีกสิบปีขอรับท่านพระครูมองหน้าเด็กหนุ่มอย่างพินิษพิจารณาท่านเห็นแววกตัญยูกะตะเวทีที่ฉายออกมาจากใบหน้าของเขาโมรุษหน่มผู้นี้เป็นผู้มีวาสนามาแต่ชาติปางก่อนเขาเกิดมาเพื่อเสริมบารมีให้คุณหญิง แรงกระตันยูของเขาสามารถต้านทานแรงกรรมของคุณหญิงได้เธอจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสิบปีดังที่บุตรชายคนเล็กตั้งกุศลเจตนารงไว้แต่ก็ต้องเสียเงินถึงสิบล้านบาทด้วยว่าคุณหญิงจะต้องไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับบุตรชายคนเล็กซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อณประเทศนั้นเป็นเวลาห้าปีการเจ็บป่วยครั้งนี้ จะทำให้คุณหญิงทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะหายจากโรคร้ายนี้อีกห้าปีข้างหน้าจากนั้นเธอก็จะใช้เวลาอีกห้าปีที่เหลือทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนากระตั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเธอก็จะละโลกนี้ไปบาเพ็ญกุศลต่อในเทวโลกบุตรชายคนเล็กจะเป็นผู้สืบสาร งานพระศาสนาต่อจากมารดาเขาจะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนทุกประการบุรุษหนุ่มตรงหน้าท่านไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงในทางโลกหากตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุก เขาจะดำเนินตามรอยพระบาทพระศาสดาพระคุณท่านขอรับกระผมปรารถนาจะฟังคำตอบจากพระคุณท่านขอรับเขาเอายา่ยย้ำเมื่อเห็นท่านนิ่งอยู่พรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่มาให้กันสงเด็นะใครอยากได้พรก็ต้องสร้างเองทำเองอาตมาจะให้พรใครต่อใคร เห็นว่าเขาสามารถทำได้ตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้โยมเป็นคนที่มีปณิธานแน่วแน่อาตมามั่นใจว่าพรของโยมจะสำเร็จสมดังปรารถนาบรุษนมเข้าใจในถ้อยคำของท่านอย่างแจ่มแจ้งพี่ชายของเขาสิอีกที่เข้าใจได้ไม่ถึงครึ่งเพราะไม่มีศรัทธาประสาททะศักเท่าใด กระผมขอกราบนมัส ก, การขอพระคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตากระผมและคุณแม่หมอที่เมืองไทยเขาบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้ไม่ถึงหเดือนแต่กระผมพาคุณแม่ไปรักษาที่อเมริกาจะไม่ให้เขาใช้คเโมไม่ให้ฉายรังสีแต่จะใช้วิธีรักษาแบบธรรมชาติโดยเน้นการฝึกจิตเป็นสําคัญพระคุณท่านคิดว่าจะดีไหมครับ ถ้าโยมคิดว่าดีก็ต้องดีอย่างที่โยมคิดจิตมีหน้าที่คิดถ้าจิตคิดดีก็ดีถ้าจิตดีก็คิดดีพูดดีทำดีโยมเป็นคนมีจิตใจดีฉะนั้นสิ่งที่พูดที่ทำก็ดีหมดในอนาคตตะการข้างหน้าโยมจะต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้สร้างความดีงามให้กับมนุษยชาติ เป็นผลงานฝากไว้ในแผ่นดินชีวิตของโยมเป็นชีวิตที่มีทั้งค่าแล้วก็ราคาคนเช่นนี้มิใช่จะหาได้ง่ายๆท่านรู้ว่าค่าของบุรุษผู้นี้อยู่ที่การทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติแล้วก็ราคานั้นอยู่ที่มรดกของคุณหญิงซึ่งมีมากมายมหาศาล หลังจากที่คุณหญิงเดินทางไปสู่สัมปรายภพแล้วมรดกจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนบุตรชายคนโตจะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางโลกขณะที่บุตรชายคนเล็กทุ่มเทให้กับการเผยแผ่พระศาสนาอันเป็นประโยชน์ในทางธรรมพระคุณท่านเจ้าคะอิชันมีบุตรสองคนแต่มีนิสัยใจคอแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน คนหนึ่งสนใจทางโลกอีกคนหนึ่งสนใจทางธรรมทำไมเ้าถึงได้แตกต่างกันเจ้าคะทั้งที่เกิดมาท้องเดียวกันเพราะกรรมค่องเข้าต่างกันนะสีคุณหญิงอย่างที่คนโบราณเขาว่าไม้ไผ่ต่างปล้องผีน้องต่างใจเพราะคนเราแม้จะเกิดจากท้องเดียวกันหากก็ต่างกรรมต่างวาระแล้ว จะให้เหมือนกันได้ยังไงจริงไหมโยมท่านถามบุตรชายคนโตของคุณหญิงซึ่งดูเหมือนจะไม่ยอมพูดจาคงจริงกระมังขอรับเขาตอบอย่างคนที่ไม่ยินดียินร้ายกระผมรบกวนเวลาของพระคุณท่านมาพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็เห็นจะต้องกราบลาเพราะยังมีผู้ที่จะพูดทุระกับพระคุณท่านอีกมากขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลา บุตรชายคนเล็กของคุณหญิงพูดชัดถ้อยชัดคำผู้ที่นั่งรอพูดธุระต่างๆนึกชมในใจที่เขาเป็นคนที่ดีมีมารยาทบรรดาสาวใหญ่สาวน้อยที่ยังไม่มีครอบครัวต่างคิดหมายปองที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณหญิงดิฉันกราบนะมัสการลาเจ้าค่ะขอพระคุณท่านจงหายจากโรคาพยาธิโดยเร็ว ดิฉันขอถวายปัจจัยบำรุงการกุศลของวัดนี้นะเจ้าคะเธอประเคนสองสีขาวใส่ทนบัตจนดูอ้วนป่องออกมาทันทีที่คุณหญิงลุกออกไปนายขุนทองก็พาพยาบาลสองคนเข้ามาเขาแอบไปฟ้องนายสมชายและชวนฝ่ายนั้นไปฟ้องหมอใหญ่นายแพทย์สมมิ่งจึงส่งพยาบาลสองคนมาถวายยานอนหลับแด่ภิกษุอาพาธ ท่านพระครูเห็นพยาบาลก็ตกใจรีบบอกว่าอาตมาหายแล้วโยมพยาบาลมาทาไมที่นี่ละ่ะคํา ม, มืดแล้วยังไม่กลับบ้านกลับช่องท่านทำเสียงให้ฟังดูเคร่งเครียดหนูจะมาถวายยาหลวงพ่อคะ่ะหมอใหญ่สั่งให้มาได้ข่าวว่าหลวงพ่อคุยไม่หยุดเลยนี่ก็จะสองทุ่มแล้วยังไม่ยอมพักผ่อน เดี๋ยวอาตามาก็จะพักผ่อนแล้วท่านบอกรู้สึกโล่งใจที่พยาบาลจะมาให้ยาหากจะเอาท่านไปโรงพยาบาลอีกท่านก็จะไม่ยอมไปอย่างเด็ดขาดเกิดชาติใดฉันใดก็ขออย่าให้ได้ต้องพบต้องเจอกับโรงพยาบาลอีกเลยงั้นหลวงพ่อฉันยาก่อนเอจะฉันหรือว่าจะฉีดดีหนูเอามาทั้งสองอย่าง อย่างฉันด้วยอย่างฉีดด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหนูให้หลวงพ่อตัดสินใจเลือกว่าจะเอาอย่างไหนลอนให้โอกาสท่านเลือกถ้าให้ตัดสินใจอัตมาก็ไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ว่าฉันหรือฉีดอัตมาหายแล้วจริงๆนะท่านยำ้ำหลวงพ่อเป็นคนไข้คนไข้ไม่มีสิทธิพูดว่าตัวเองหายหรือไม่หาย คนจะบอกได้ก็คือหมอที่รักษาเท่านั้นพยาบาลพูดเสียงดุดุถ้าเช่นนั้นก็ไปบอกหมอให้ด้วยว่าอาตมาหายแล้วท่านยังดื้อแแปลงพยาบาลจึงขู่ด้วยการบอกเพื่อนที่มาด้วยว่าไปเรียกสมชายกับคุณทองมาหน่อยบอกว่าให้พาหลวงพ่อไปส่งโรงพยาบาลพยาบาลผู้นั้นทำท่าจะลุกออกไป แต่ถูกท่านพระครูห้ามไว้ยาเรียกยาเรียกตกลงอาตมายอมกินยาไหนละยาอยู่ที่ไหนอาตมาจะกินให้ดูเดี๋ยวนี้แหละพยาบาลจึงส่งยาให้ท่านสามเม็ดยาอะไรเนี่ยแกอะไรท่านถาม ยาบำรงเสียงค่ะหลวงพ่อฉันยาบำรุงเสียงหน่อยจะได้คุยต่อไปได้อีกนานๆพยาบาลลงทุนใช้กุสโลบายด้วยการพูดไม่จริงท่านพระครูจึงเทน้ำใส่แก้วและฉันยาต่อหน้าพยาบาลและก็ญาติโยมท่านฉันเสร็จพยาบาลจึงพูดอย่างผู้ชนะว่าหลวงพ่อรีบขึ้นไปจาวัดเถอ อีกไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะหลับไม่ตื่นเลยทั้งคืนจะไปตื่นอีกทีก็สามโมงเช้านนแหละสมพา์วัดป่ามะม่วงรู้ว่าเสียรู้พยาบาลจึงตั้งสติกำหนดในใจว่าไม่หลับหนอไม่หลับหนอญาติโยมเข้ามาให้ช่วยก็ต้องช่วยเขากำลังมีทุกข์กำหนดแล้วจึงบอกพยาบาลว่า งั้นโยมก็กลับได้แล้วเพราะถ้าอาตมาหลับอยู่ตรงนี้แล้วเกิดใครเข้ามาเห็นเข้าว่ามีสีกามานั่งอยู่ในกุฏิอาตมาก็จะเสียหายแล้วก็เป็นช่องให้คนเข้าเอาไปนินทาว่าร้ายนึกว่าช่วยสงเคราะห์อาตมาสักครั้งเราสงคนจะกลับต่เมื่อหลวงพ่อหลับหมอใหญ่สั่งว่าห้ามกลับก่อนเด็ดขาด มิฉะนั้นจะต้องถูกตัดเงินเดือนหลวงพ่ออย่าให้พวกหนูต้องถูกตัดเงินเดือนเลยนะคะนึกว่าช่วยสงเคราะห์ศีกาสักครั้งหล่อนตั้งใจล้อเลียนท่านไม่เป็นไรถูกตัดเงินเดือนก็ยังดีกว่าถูกไล่ออกท่านปลอบใจและถ้าถูกไล่ออกละคะไม่แน่นะหลวงพ่ออาจทําให้พวกหนูถูกไล่ออกก็ได้ไม่เป็นไร ถูกไล่ออกก็มาบวชชีอยู่วัดนี้ก็ได้อาตมาอนุญาตท่านหาทางออกให้แล้วใครจะเลี้ยงลูกให้หนูล่ะคะไหนจะต้องดูแลสามีอีกเกิดหนูมาบวชจริงลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงสามีก็อาจจะไปมีเมียน้อยคนมีสามีแจงเหตุผลส่วนคนที่ไม่มีสามีก็อ้างว่าหนูต้องเลี้ยงพ่อแม่ แล้วก็หลานอีกสองคนถ้าถูกไล่ออกจากงานหรือว่ามาบวชชีรับรองอีกสี่ชีวิตต้องตายไปตามๆกันคนมีสามีรีบสนับสนุนว่านั่นสิหลวงพ่อจะสบายใจอยู่ได้ยังไงถ้าหากเป็นสาเหตุให้คนอื่นๆเขาต้องเดือดร้อนโยมคนหนึ่งเห็นว่าอีกไม่กี่นาทีท่านพระครูก็จะหลับ แล้วก็จะไปตื่นเอาสามโมงเช้าเขาคงรอให้ถึงเวลานั้นไม่ได้จึงพูดข้ามศีรษะญาติโยมข้างหน้าหลวงพ่อครับช่วยสงเคราะห์ผมด้วยเมียผมหนีตามชู้ไปผมจะฟ้องก็ไม่กล้าเพราะชู้มันเป็นตำรวจหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าผมจะทำยังไงดีถึงจะได้เมียคืนลูกๆผมก็บ่นหาแม่ทุกวัน ท่านลักครูมองไปยังที่มาของเสียงก็เห็นบุรุษร่างผอมขาวหน้าตาบ่งบอกว่าเป็นคนจีนโดยกำเนิดท่านเห็นกรรมของเขาแล้วจึงให้นึกสงสารจรึงพูดปลอบใจว่าโยมต้องอดทนนะมันเป็นกรรมติดพันกันมาแต่ชาติบางก่อนถ้าโยมอยากรู้ว่ากรรมอะไรก็ให้มาเข้ากรรมฐานปฏิบัติจนถึงขั้น ระลึกชาติได้แล้วโยมก็จะรู้ว่าทําไมโยมถึงต้องมาเป็นเช่นนี้โยมจดไว้เลยนะว่าที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงตอนนี้พวกบ้านของโยมกําลังตั้งท้องพอคลอดแล้วตํารวจเขาก็จะไม่ยอมรับเลี้ยงลูกเพราะเขาต้องการแต่เมียไม่ได้ต้องการลูกพวกบ้านของโยมก็จะเอาลูกมาให้โยมเลี้ยง ผมจ้างก็ไม่เลี้ยงให้มันบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเมื่อรู้ว่าภรรยากำลังมีลูกกับชายชู้แต่โยมก็ต้องเลี้ยงถ้าโยมเลี้ยงลูกให้เขาพอเด็กอายุสามขวบแม่เด็กก็จะกลับมาโยมต้องยอมฝืนใจไปก่อนและอีกหน่อยโยมก็จะรักเด็กคนนี้ตำรวจคนนี้เขาเจ้าชู้มาก เขียวเป็นชู้กับลูกกับเมียเขาถั่วไปหมดอีกสามปีก็ต้องตายถูกสามีของผู้หญิงค่าโยมไม่ต้องไปคิดค่ะเขารอกให้คนอื่นเขาจองเวรกันเองโยมเลี้ยงลูกให้เขากาพอเมื่อตำรวจคนนั้นตายแม่เด็กก็จะกลับมาอยู่กับโยมแล้วก็จะไม่ไปไหนอีกท่านพูดตามที่เห็นทำไมชีวิตผมมันถึงบัดซบถึงปานนี้ ยิ่งกว่านิยายน้ำเน่าเสีอีกบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเขาเชื่อตามที่ท่านพระครูพูดทุกประการที่เชื่อเพราะเขาสืบทราบมาว่าเมียเขาท้องกับตำรวจชั่วคนนั้นแต่ยังไม่เชื่อสักเท่าไรพอท่านพระครูพูดเขาจึงเชื่อสนิทเพราะท่านรู้โดยที่เขาไม่ได้บอกพระอรหันต์เก่งอย่างนี้นี่เอง เราต้องเชื่อท่านแล้วเตรียมตัวเลี้ยงลูกของเมียแล้วละเขาคิดในใจความแค้นเคืองลดลงไปกว่าครึ่งเมื่อรู้ว่าชายชู้ของเมียจะถูกฆ่าตายในอีกสามปีข้างหน้า